ทีนี้ขยายให้กว้างออกไปว่าเป็นคนน่าเป็นไหมเป็นสัตยรชาญน่าเป็นไหมเป็นอะไรคู่ตรงข้ามนี้กับที่ไม่ต้องการเป็นอะไรเลยอันไหนจะดีกว่ากันเป็นคนธรรมดากับเป็นสันรกอย่างนี้น่าเป็นไหมหรือพูดอีกคู่หนึ่งว่าเป็นคนนี้น่าเป็นไหมเป็นเทวดาในสวรรค์นี้น่าเป็นไหม นี่มันเป็นเครื่องวัดสติปัญญาของบุคคลว่าคนนั้นเขามองเห็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเขามองเห็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะสั่นหัวทั้งหมดอย่างเดียวกันเพราะว่าเป็นคนก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบคนเป็นเทวดาก็ต้องมีความทุกขตามแบบของเทวดาหมายความว่าถ้าเกิดไปยึดมั่นว่าเราเป็นคน หรือว่าเราเป็นเทวดาเข้าแล้วนั่นแหละจะต้องเป็นทุกข์ตามแบบคนหรือเป็นทุกข์ตามแบบเทวดาทั้งนั้นถ้าว่างคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอะไรเลยมันก็ไม่เป็นทั้งคนไม่เป็นทั้งเทวดามันก็เลยไม่มีความทุกขอย่างคนไม่มีความทุกข์อย่างเทวดานี่เรียกว่าว่าง ถ้าต้องเป็นคนตามความยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นเทวดาตามความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันสนุกไหมนี่ขอให้คิดอย่างนี้แล้วว่าเป็นคนสนุกไหมเป็นเทวดาสนุกไหมถ้าใครเข้าถึงความจริงแล้วก็จะสั่นหัวทั้งนั้นทีนี้คิดให้ใกลเข้ามาอีกว่าเป็นคนดีน่าเป็นไหมเป็นคนชั่วน่าเป็นไหม ถ้าถามว่าใครอยากเป็นคนดีบ้างคงยกมือกันสลอนไปหมดเลยเขายัางไม่มองเห็นว่าการยึดมั่นว่าเป็นคนดีนั้นมันก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของคนดีไปตามประษาของคนดีเช่นเดียวกับที่คนชั่วจะต้องมีความทุกข์ตามแบบระษาของคนชั่วถ้าลงยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีความสุขเลยเพราะมันจะหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ในตัวความเป็นนั่นเองอากแต่ว่าความทุกข์บางอย่างมันไม่แสดงออกมาให้เห็นแล้วมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรบางอย่างกลบเกลื่อนไว้มันจึงทนทุกขในการมีการเป็นได้ทะเยอะทะยานตื่นหรือเหอ่อที่จะเป็นนั่นเป็นนี่กันอยู่ได้ด้วยการถูกหลอกที่จริงนั้น ธรรมชาติหลอกให้คนเราสู้ทนทุกข์เช่นตัวอย่างที่เห็นง่ายๆในกรณีที่ทุกปเราะการสืบพันธุ์เพราะการคลอดบุตรนี้มันหลอกได้อย่างที่ตนเองก็สมัครใจทีเดียวถ้าเขามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็คงไม่เล่นด้วยกับการหลอกลวงของธรรมชาตินั้นเลยเป็นคนดีสนุกไหมเป็นคนชั่วสนุกไหมลองดู หรือว่าใกล้เข้ามาอีกก็ว่าเป็นคนมีบุญน่าเป็นไหมเป็นคนมีบาปน่าเป็นไหมคนที่ลพลีามไม่ดูไม่แลอะไรคงจะยกมือทันทีว่าเป็นคนมีบุญน่าสนุกกันใหญ่แต่คนที่เข้าผ่านบุญมาโดยสมบูรณ์แล้ว<ๆ>ก็จะสั่นหัวว่าคนมีบุญก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบตามประสาของคนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตนมีบุญ คนมีบุญจะต้องเป็นทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญเช่นเดียวกับคนที่มีบาปต้องเป็นทุกข์ไปตามประษาคนที่มีบาปทีนี้ใกล้เข้ามาอีกก็คือเป็นคนมีความสุขน่าเป็นไหมเป็นคนมีความทุกข์น่าเป็นไหมคนก็ยิ่งยกมือกันสลอนมากกว่ากล่าวก่อนว่าจะขอเป็นคนมีความสุข ที่ส่วนคนที่เคยมีความสุขสวยสุขอย่างที่เรียกเๆกกันนี้มาแล้วได้ผ่านมาแล้วกลับสันหัวว่าเป็นคนมีความสุขนี้ก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุขตอนนี้จะฟังไม่เข้าใจขอกล่าวซ้ําอีกว่าคนมีความสุขจะต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุขข้อนี้ต้องนึกถึงข้อที่ว่าในโลกนี้ชาวโลกเข้าสมมุติ เขาบัญญัติเขายึดมั่นถือมั่นกันว่าคนอย่างไหนเป็นคนมีความสุขมีเงินมีอํานาจวาสนามีนั่นมีนี่มีกามคุณมีอะไรสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างเป็นคนมีความสุขแต่เราก็จงดูให้ดีมันจะต้องมีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งรูปหนึ่งตามภาษาคนมีสุขไม่ต้องพูดถึงความสุขชนิดมีก้างอย่างนี้ ต่อให้เป็นความสุขชนิดที่เกิดมาจากสมาธิสมาบัติจากฌานของพวกฤาษีมุนีถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นคนมีความสุขขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดก้างขึ้นมาในเนื้อนั่นเองแล้วติดคอพวกที่ยึดมั่นถือมั่นความสุขในรูปฌานเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นคนมีทุกข์ไปตามประษาของคนมีสุขจากรูปฌานนั่นเองเพราะฉะนั้น จึงมีบทบัญญัติให้ละรูปราคะอรูปราคะเสียในสังโยชน์เบื้องปลายที่จะทําให้คนเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการที่ไปติดไปยึดเข้าว่าเรามีความสุขแม้จะเป็นความสุขเกิดจากธรรมะก็เถอะมันจะยังคงเป็นก้านติดคอชนิดที่ละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นธรรมดาและไม่เป็นธรรมะจริงขึ้นมาได้ อที่จะไปยึดพระนิพพานว่าเป็นตัวตนหรือเป็นความสุขของเราขึ้นมานั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเพียงแต่พูดนั้นพูดได้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเรายึดพระนิพพานว่าเราเป็นของเราเรามีสุขอย่างนิพพานบรรลุนิพพานอย่างนี้มันพูดได้แต่ความจริงนั้นมีไม่ได้เพราะว่า ผู้ที่มีความยึดถืออย่างนั้นอยู่จะบรรลุถึงนิพพานไม่ได้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นถ้าเขาสำคัญอยู่ว่าเขาได้รับเขาเป็นผู้มีสุขที่เกิดแต่นิพพานอย่างนี้มันเป็นนิพพานปลอมทั้งนั้นนิพพานจริงไม่มีทางที่จะมาอยู่ในฐานะที่ถูกยึดถืออย่างนั้นได้ นี่เราไล่ความสุขขึ้นไปตั้งแต่ความสุขของเด็กๆความสุขของผู้ใหญ่ของคนหนุ่มสาวคนแก่คนเท่าคนมีอำนาจวาสนากระทั่งคนเป็นเทวดามีฌานมีสมาบัติอะไรเป็นที่สุดถ้าลงยึดมั่นถือมั่นว่าฉันมีความสุขแล้วก็มันก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุขผู้ที่เข้าถึงความจริงจะรู้สึกอย่างนี้ ส่วนผู้ที่ไม่เข้าถึงความจริงก็ตื่นก็เหอกันไปตามเรื่องตามราวเอ่เงินเหอทองเอออำนาจวาสนาเออความสุขทั้งเนื้อทั้งหนังกระทั่งเหอวิปัสนาเหชฌานเหสมาบัติเออจนต้องส่งโรงพยาบาลประครองสารอย่างนี้แหละเป็นการแสดงอยู่ในตัวมันเองแล้วว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วคนมีความสุข ก็จะต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุขคำว่าทุกข์ไปตามแบบของคนมีความสุขเด็กๆฟังไม่ถูกฟังไม่ออกแต่ผู้สูงอายุควรจะฟังออกทีนี้เราลองคิดดูอีสกสักครู่หนึ่งว่าเกิดอยู่นี้สนุกไหมตายไปสนุกไหมให้เลือกเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่นี้ คือเกิดอยู่เป็นอยู่นี้สนุกไหมหรือว่าตายไปคือไม่เป็นอยู่นี้สนุกไหมเกิดกับตายสองอย่างนี้อันไหนหน่าสนุกคนเกิดอยู่หน้าเกิดหรือคนตายไปหน้าตายลองคิดดูถ้ารู้ธรรมะจริงมันก็สั่นหัวไม่เอาทั้งนั้นไม่เอาทั้งเกิดไม่เอาทั้งตาย คนธรรมดาแล้วไม่อยากตายอยากเกิดแล้วไม่อยากตายอยากเกิดเรื่อยอยากเกิดชนิดไม่รู้จักตายด้วยซ้ำไปหรือว่าถ้าจะต้องตายแน่แล้วก็ยังอยากเกิดอีกนั่นแหละคือความยึดมั่นถือมั่นเราอาจตัดบทได้สั้นๆว่าคนเกิดก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของคนเกิดคนตายก็มีความทุกข์ ตามแบบของคนตายต่อเมื่อไม่รู้สึกว่าเกิดไม่รู้สึกว่าตายคือว่างนั่นแหละจึงจะไม่มีความทุกข์เลยทําไมไม่นอนคิดเล่นนั่งคิดเล่นเดินคิดเล่นในเรื่องอย่างนี้ในขณะที่ไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบทําไมไม่ลองนอนคิดอย่างนี้นั่งคิดอย่างนี้เดินคิดอย่างนี้ หรือว่าเมื่อทำอะไรอยู่หรือเป็นอะไรอยู่ทำไมไม่ลองคิดอย่างนี้เมื่อเหน็ด<อน><อ>เห น, นื่อยยากลำบากอยู่ด้วยความเป็นมาดาเป็นต้นอย่างนี้ทำไมไม่รู้สึกบ้างว่าความเป็นมาดาอย่างนี้ไม่น่าสนุกและความเป็นสามีความเป็นภรรยาความเป็นอะไรต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วทั้งหมดนี้ เมื่อกำลังวุ่นอยู่ด้วยอาการของความเป็นนั้นๆทำไมไม่รู้สึกว่านี่ไม่สนุกเลยทั้งๆ ท, ที่ต้องร้องไห้อยู่ก็ยังไม่รู้สึกว่านี่ไม่สนุกเลยยังสนุกอยู่เรื่อยสนุกอยู่ทั้งๆร้องไห้อย่างนั้นเราจงคิดดูให้ดีอีกทีหนึ่งในครั้งสุดท้ายว่าเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามไม่ไหวทั้งนั้น เกิดก็ไม่ว่างไม่เกิดก็ไม่ว่างถ้าไปยึดถือว่าไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ว่างเหมือนกันตอนนี้มันจะต้องเป็นตอนที่ฟังยากที่สุดหรือจะว่าปฏิบัติยากที่สุดก็ตามใจระหว่างเกิดกับไม่เกิดนี่มาถึงสุดท้ายนี้เราไม่เอาทั้งนั้นเราไม่เข้าไปยึดด้วยคำว่าเกิดหรือคำว่าไม่เกิดก็ไม่ยึด มันจึงจะว่างเมื่อพูดถึงเอาถึงเป็นมาเรื่อยเรื่อยแล้วไม่เอาไม่เป็นมาเรื่อยเรื่อยแล้วมาถึงเกิดไม่เกิดเป็นคู่ขึ้นมาอย่างนี้ประเดี๋ยก็จะไปยึดเอาที่ไม่เกิดเข้าอีกฉะนั้นในอันสุดท้ายข้อปฏิบัติของเราจะต้องสาวเก้าไปจนกระทั่งถึงว่าความรู้ว่าไม่เกิดอย่างนี้ ก็ต้องไม่เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นคือให้สลายไปด้วยเหมือนกันมันจึงจะเป็นว่างจริงๆขึ้นมาคือเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่นั่นแหละจึงจะเป็นเรื่องไม่เกิดที่แท้จริงคือเป็นดับไม่เหลือที่แท้จริงคำพูดตอนนี้ออกจะฟัดไปฟัดมาอยู่แล้วแต่ความหมายนั้นไม่ได้ฟัดไปฟัดมา มันมีความจริงอยู่แยกออกจากการเด็ดขาดเลยฉะนั้นท่านอย่าไปยึดมั่นในนิพพานว่าเป็นความไม่เกิดแล้วก็วิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปยึดมั่นในวัตฏะสงสารว่าเกิดกันใหญ่เกิดกันสนุกดีมันต้องไม่ยึดมั่นทั้งสองฝ่ายมันจึงจะเป็นความว่างและเป็นความไม่เกิด การปฏิบัติในเวลาปกติจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปสำหรับในขณะที่เรากำลังทำการงานอย่างยิ่งคืองานกรร ม, มฐานกล่าวคือปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสสนาในลักษณะที่เป็นเทคนิคจัดเพื่อให้รู้โทษของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็วางจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกัน ข้อนี้ต้องทำตามที่ได้เราได้เรียนได้ศึกษามาเป็นอย่างมากไม่ใช่คนธรรมดาที่ไม่รู้หนังสือจะทำได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีหลักมีคำอธิบายอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วมากมายไปอ่านดูหรือนึกถึงที่เคยกล่าวแล้วทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าข้อปฏิบัติในขณะปกติ